พระบัญญัติ983ก็ภิกษุณีใดใช้ต่างยาวหรือแท่นต้องอบัตตปาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบ